จิตที่มันดีควรแก่การงาน ấy, ก็เป็นจิตที่อ่อนอ่อนนิ่มไม่ใช่จิตที่แข็งกระด้างแล้วยังไงถึงแข็งก็เพ่งเกลงมันก็ทำให้แข็งกระด้างไป กันก็เปรียบเหมือนจับนกกระจาบใช่ไหมที่ว่าจับแน่นใบก็ไม่ได้นกก็ตายแต่ถ้าเกิดว่าผ่อนมากนกมันก็หนีฉะนั้นก็ต้องแบบพอดีพดีกาที่เราจับพอดีพดีเนี่ยมือเรามันก็ไม่ต้องเกร็งมากจนเกินไปรู้ตามจังหวะ แลอย่างหนึ่งที่ทําให้จิตเรามันแข็งไม่อ่อนควรแก่การงานก็คือความคาดหมายความคาดหวังในผลลัพธ์พอมันมีความอยากกลุ้มใจอยู่มันก็ทําให้มันก็เกรง็งมันก็แข็งนะเหมือนคนดูบอลคนดูมวยมันดูตอนมันลุ้นๆ น, นี่มันโหตัวเกร็งแหละ เหมือนกันเวลาที่เรามีความคาดหวังมันก็เผลอไปเกรงแบบไม่รู้ตัวแหละมันก็จึงต้องคอยมีสติที่ว่าคอยเช็คอยู่บ่อยๆว่ามันเผลอไปเพ่งไหมใจหนีเผลอไปหาความอยากในผลลัพธ์ไหม เราตรวจเช็คอย่างนี้อยู่เรื่อยๆเนี่ยใจเรามันก็จะเบาสบายได้พยายามที่จะไม่เกรง็งไม่เพ่งมันมากได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าปล่อยทิ้งนะก็เหมือนอย่างที่ว่านถ้าปล่อยล้มลมมากมากจนเกินไปมันก็บินออกจากมือเราเพะนั้นก็ต้องรู้จักที่จะผ่อนบ้างตึงบ้าง บางครั้งก็ต้องหย่อนเพื่อที่จะตึงในแบบพอดีพอดีอ่ะถ้ามันหย่อนเกินไปก็ต้องตึงตึงขึ้นมาไม่ให้มันย่อหย่อนเทีทุกวันทุกวันทุกวันก็เทีเรื่องเก่าๆวนไปซ้ําไปซ้ามาหมดมุกพอดีแต่จะ บอกว่าการเทศการแสดงธรรมมันหมดมุกน่งมันก็เรียกเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบถ้าจะไปเปรียบเทียบกับครูบาอาจารย์ท่านเหล่านั้นก็เป็นผู้ที่ฉลาดในอุบายฉลาดในการใคร่ยครวญปีนิ พ, พิจารณาธรรมะในแงม่มุมหลายๆแงม่มุม เพราะฉะนั้นเวลาท่านเทพมันก็ไม่มีอัดม่อั้นธรรมะท่านก็ไหลออกมาเรื่อยและแต่เรามันก็เป็นพวกไม่ค่อยขยันไม่ค่อยพิจารณาความสามารถมันก็มีไม่เท่าแหละเพราะฉะนั้นมันจะให้แตกฉาน เหมือนเหล่าบรรดาครูบาอาจารย์ก็คงจะทำยากยอดสุดเป็นต้นของศาสนานี้ก็คือพระพุทธเจ้าอันนั้นยิ่งแบบคือที่สุดของที่สุดแล้วกานแจกแจงแสดงธรรมไม่มีอัดวิอัน้น แจกแจงแสดงธรรมได้ตามลักษณะนิสัยของผู้ฟังแม้แต่เป็นอาจจะหัวข้อเดียวอาจเฉพาะเรื่องสติปัฐาน4ไม่ต้องถึงกับความสามารถระดับพระพุทธเจ้าะเอาแค่ลูกศิษย์อย่างภาษารีบุตรอย่างเงี้ยสามารถที่จะแสดงแจกแจงสติปฐานสี่ ได้ไม่ซ้ำในไปเรื่อยถ้าเทียบแล้วนี่หนึ่งในคือหนึ่งเม็ดทรายในแม่น้ำคงคาเม็ดทรายในแม่น้ำหมดก่อนนะหมดก่อนที่จะไอในที่จะแสดงธรรมเกี่ยวกับสติปัฏฐาน4เนี่ยท่านยังมียังมีมากกว่านั้นมันเห็นถึงปัญญาความฉลาดรู้ ของท่านมันมีไม่อัดไม่อันเหมือนอย่างที่หลวงตาชอบเปรียบเทียบน่แหละเหมือนหนูกับสิงโตนะถึงเราจะตัวเท่าหนูเราก็สู้แบบหนูไปมีปัญญาเท่าหนูก็สู้แบบปัญญาเท่าหนูไปนี่แหละแต่มันก็ต้องสู้ไปให้มันนำพาตัวเองให้มันพ้นจากทุกข์ให้ได้ เราต้องคอยสำรวจเนี่ยสำรวจตัวเองให้ดีว่ามรรคของเราเนี่ยมันตรงไหนมันมีกำลังตรงไหนมันอ่อนกำลังก็เสริมให้มันกลมกล่อมไปสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะท่านก็จัดเนี่ยจัดไว้เป็น ในหมวดของปัญญาใช่ไหมสำมาวาจาสำมากรรมันตะสำมาชีวะโอ้นี้ก็เป็นเกี่ยวข้องกับศีลสำมาวิยมะสำมาสติสำมาสมาธิเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับสมาธินั่นแหละ เพราะฉะนั้นมากมันจะไปได้ดีนะก็คือสีและปริภาวิตโตสมาธิมหาพโลโหติมหานิสังโซสมาธิที่ศีลอบรมดีแล้วเนี่ยก็มีผลมากมันต้องมีผลมากสิถ้าใจของเราเนี่ยมันมีเรื่องหลายเรื่องที่มันประเดยประดังให้มันก่อกวนกับจิตใจ ประเดปดังเข้ามาให้คอยเป็นกังวลอย่างนั้นอย่างนี้สมาธิคือความสงบใจมันก็ทำได้ไม่ดีแต่ถ้าเรามีศีลที่มันดีเรื่องวุ่นวายที่มันจะเข้ามาในชีวิตเราล้นทะลักเข้ามาที่จิตใจของเราเนี่ยมันก็ไม่มา พอมันไม่มากแล้วเนี่ยความสงบใจมันก็ทําได้ง่ายเพราะนั้นผลจากการที่เรามีศีลที่ดีที่บริบูรณ์มันก็เอื้อทําให้สมาธิของเรามีผลดีเป็นเหตุปัจจัยที่ทําให้เราทาสมาธิได้ดีทําความสงบใจได้ดีสมาธิปริภาวิตาปัญญามหภาภลาโธติ มหาิสร้างซาปัญญาที่สมาธิอบรมดีแล้วก็มีผลมากมันแน่นอนแหละถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับเรามีหลายๆงานที่เราจะต้องทำหัวสมองเราก็ต้องแบ่งไปเรื่องนั้นเรื่องนี้หลายๆเรื่องที่เรารับผิดชอบอยู่ เรื่องนั้นก็จะต้องเอาเรื่องนี้ก็จะต้องทำใจมันก็มันไม่มีสมาธินีะ่ะที่มันจะทำงานให้มันจดจ่อได้อย่างดีความใคร่ครวนในการงานนั้นๆความรอบคอบในเนื้อ ง, งานนั้นๆมันก็ทำได้ไม่ดีถ้าเปรียบเทียบถ้าเรามีงานอันเดียวงานงานเดียว ความจดจอ่อต่อเนื่องในการใคร์ครวนพิจารณาในการงานเนี่ยมันก็เต็มที่ผลที่ได้มันต้องดีกว่าแน่นอนเพราะฉะนั้นความสงบใจเนี่ยมันทำให้ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าสงบสงบแล้วก็เหลืออยู่แค่อารมณ์อันเดียว อารมณ์ที่มันไม่วุ่นวายไปตามสิ่งต่างๆภายนอกในละวางอารมณ์สัญญาอารมณ์จากภายนอกมาสงบระงับตั้งมั่นอยู่ในภายในพอจิตใจมันไม่วุ่นวายมันไม่สายแสมันก็สามารถที่จะใครีครวญพินิษพิจารณาไปตามสัญญาที่เรากําลังปรุงแต่ง ที่เรากลังสอนมันให้เห็นถึงความเป็นจริงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็มีความดับไปเป็นธรรมดาหรือไม่มันก็ไม่มีสิ่งใดเที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาหรือจะให้เห็นว่ามันไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนของเราเขาทิ้งแท้ หรืว่าจริงๆแล้วมันก็ เ, เป็นของที่มันประชุมของธาตุนั่นแหละมันเป็นการประกอบเป็นการประชุมรวมตัวกันของธาตุสีนินน้ําไฟลมมันก็จะต่างจากสัญญาความจําเพราะกันที่เราใคยกรวนไปนีพิจารณาเนี่ยเราอยากให้มันเป็นความเข้าไปในใจ การที่ใจของเราเนี่ยมันได้รู้ได้เห็นได้ยอมรับสิ่งที่เรากำลังใคร่ครวญพินิพจารณาตามที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงเอาไว้แต่ยอมรับแค่ตร ก, กะความคิดอย่างเดียวมันไม่เพียงพอไม่เพียงพอที่จะเปลื้องทุกออกจากใจก็ต้องมัน คอยสอนมันเรื่อยๆให้ใจมันได้ละคลายความเห็นผิดยึดแบบผิดผิดพอพูดไปมันก็เหมือนกับว่าใจเราเนี่ยมันมีตาหูจมูกลิ้นกายของมันอีกชุดหนึ่งพอเราใช้คาว่าความเห็นก็ดีมันก็เหมือนกับใจมันเห็นมันมีตาเห็นใช่ไแต่จะจะพูดให้มันดูแบบ มันมีตาชุดหนึ่งชุดใหม่ก็คือมันยอมรับนั่นแหละใจมันยอมรับใจมันไม่ค้านกับความเป็นจริงอันนั้นแต่ใจควรส่วนมากที่ไม่ได้อบรมที่ไม่ได้นำความจริงมาอบรมจิตใจถึงแม้ว่าตามตักกะความรู้ ที่เขาบอกกันมามันจริงใจมันก็ยอมรับในความเป็นจริงอันนั้นแต่มันยอมรับแบบผิวๆมันไม่ได้ยอมรับแบบเต็มร้อยเหมือนนักเรียนน่ะนักเรียนเนี่ยอยู่ในโรงเรียนโรงเรียนก็จะต้องสอนว่าเออเราก็ต้องเป็นคนดีให้กับสังคมนะ โตไปเนี่ยเราก็ต้องพยายามช่วยเหลือสังคมรับผิดชอบหน้าที่ตัวเองให้ดีแล้วก็ไม่ทุจริตคอร์รัปชันแต่เราก็เห็นกันอยู่ทุกคนก็เห็นตามนั้นแหละว่ามันใช่มันต้องเป็นไปตามนั้นแต่พอโตขึ้นมาอยู่ในหน้าที่การงานที่ต้องรับผิดชอบ แล้วในฐานะที่ต้องเกี่ยวข้องกับหมู่คนมากๆมีผลประโยชน์เข้ามามากๆเราก็เห็นกั น, นแหละ ว, ว่าคำว่าโตไปต้องเป็นคนดีโตไปต้องรับใช้สังคมแบ่งปันช่วยเหลือสังคมไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่คดโกง สิ่งที่ได้ เ, เรียนรู้มาสิ่งที่ใจยอมรับตามตการกะอันนั้นมันก็โยนทิ้งไปเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีผลประโยชน์ที่วางกองเอาไว้ตรงหน้าไอความเชื่อความเข้าใจว่ามันของดีของถูกที่เราจะต้องปฏิบัติก็โยนมันทิ้งไปใจโยนมันทิ้งไป ใช่มันก็ทำให้เห็นนะและว่าการที่เราเข้าใจเพียงแค่ชั้นตักกะหรือว่าเข้าใจในชั้นของความผูกโยงทางเหตุและผลน่ะมันยังไม่ได้เป็นสมฤทธิผลที่ใจจริงๆเพาะฉะนั้นการที่เราจะสอนแต่มันก็ต้องใช้ทั้งสองส่วนนั่นแหละส่วนทั้งความคิดตักกะเหตุผล ที่ถูกต้องแล้วก็ต้องพยายามนำสิ่งเหล่านั้นเนี่ยสอนแล้วก็ให้ใจมันยอมรับอันนั้นให้ได้จริงๆให้มันจ่มแจ้งลงไปในใจจริงๆพอมันเจ่มแจ้งเนี่ยมันเห็นคุณเห็นโทษอย่างชัดเจนพอมันเห็นคุณเห็นโทษอย่างชัดเจนแล้วเนี่ย มันอาจจะดีในเบื้องต้นถ้าเราได้ทำไปแต่ในท่ากลางในที่สุดเนี่ยมันมีโทษโทษมากเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรทำเหมือนการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยเราขึ้นชื่อว่าเราได้ทรัพย์แต่เราเสียอะไรไปเราเสียศีลธรรมในใจของเรา แล้วเราก็คืนชื่อว่าเราเป็นผู้เปียดเปียนสังคมเปียดเปียนผู้อื่นมันได้ทรัพย์มาจับจ่ายใช้สอยแต่สุดท้ายเนี่ยสิ่งที่เราได้มาเนี่ยข่าวของเงินทองมันก็เป็นของที่ตายไปเราเอาไปไม่ได้นะ แล้วกับสิ่งที่มันจะติดตัวเราไปก็คือบาปอากุศลที่เราได้ทำลงไปอันนั้นตายไปแล้วไปกับเราด้วยถ้าเราประเมินแล้วเนี่ยมันคุ้มกันไหมถ้าใจเราใคร่กรวนพิจารณาแล้วใจมันยอมรับว่าเออชีวิตคนเราเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะแต่ชาตินี้นะ ชาติอดีตก็มีชาติต่ตตตตตตอๆไปหลังจากอัตภาพนี้ไปแล้วมันก็มีอีกแล้วทําไมคนเราเกิดมาต้นทุนดีดีเลวต่างกันบางคนเกิดมาบนกองเงินกองทองบางคนเกิดมายากดีมีจนต่างกันก็เพราะกรรมนั่นแหละถ้าเราจะปฏิเสธว่าผลของกรรมไม่มี มันก็จะอธิบายไม่ได้ว่าทำไมคนเรามันเกิดมาแล้วมันต่างๆกันไปซึ่งมันควรจะต้องเหมือนโรงงานอะอย่างนั้นะปั๊มมาแล้วมันก็เหมือนกันทุกชิ้นแต่เพราะมันต่างกันแล้วอะไรที่มันทำให้มันต่างกันก็คือผลของกรรมที่เราเคยทาไว้นั่นแหละผลของกรรมดีก็ให้ความสุขเป็นผลผลของกรรมชั่วให้ความทุกข์เป็นผล ถ้าเราทํากรรมชั่วแล้วเราไม่กลัวผลของกรรมชั่วมันก็สามารถที่จะทํากรรมชั่วได้สบายๆแต่อะไรที่มันทําให้หิริและอตับปะความละอายชั่วความกลัวบาปของเรามันจางหายไปมันจืดจางออกไปจากจิตใจกลายเป็นว่าไม่ละอายต่อความชั่วไม่เกรงกลัวผลของบาปก็เพราะความโลภ ความหลงหลงให้เห็นถึงความสำคัญของข้าวของเงินทองที่เขาเอามาหลอกเราหลอกล่อเราเห็นถึงความสาคัญ น, นั้นๆว่ามันเป็นความสำคัญมากมีสาระจริงจังอีกทั้งความอยากที่มันเป็นทับเสริมอ่ะมันก็คู่กันทั้งโมหะด้วย โลภะด้วยมันก็ขยําหัวใจเราสุดท้ายพอเราต้านทานไม่ไหวคำว่าต้านทานไม่ไหวก็คือหริริและโอตะปะของเรามันแพ้นั่นแหละพอต้านทานความอยากไม่ไหวมันก็ต้องเสียไปเสียคุณธรรมในใจลงไปเสียทั้งหริริโอตะปะเสียทั้งศีล แล้วผลที่มันได้รับเนี่ยบางทีมันก็อาจจะกำหนดไม่ได้ก็ตามว่ามันจะเกิดวันไหนเวลาไหนเดือนไหนปีไหนแต่มันมาแน่นอนถ้ามันไม่ชาตินี้มันก็ชาติต่อไปถ้ามันไม่ชาติต่อไปมันก็ไปชาติต่อๆไปซึ่งเราก็จะเห็นได้เนี่ยบางครั้งบางคนเป็นคนดีดีแต่เวลาถึง คราวที่ว่าจะตายอ่ะตายแบบไม่สมกับความเป็นคนดีของเขาแต่ในครั้งพุทธกาลนี่ก็มีให้เห็นเป็นตัวอย่างก็คือพระมหาโมคลานะเนี่ยหละคอยช่วยเหลืองานพระศาสนาอย่างเต็มที่แข็งแรงสั่งสอนมหาชนแบ่งเบาพระพราระของพระพุทธเจ้า พาคนไปทำดีพาคนไปขึ้นสวรรค์พาคนไปนิพพานมีความสามารถมากจนพระพุทธองค์เนี่ยแต่งตั้งนะให้ชื่อว่าเป็นอัครสาวกคือสาวกผู้เลิศนะนะอัครสาวกเบื้องซ้ายเป็นผู้เลิศในทางที่มีฤทธานุภาพ ถึงแม้ว่าจะเป็นคนดีขนาดนั้นคนเก่งขนาดนั้นแต่ดูเวลาที่ท่านจะสิ้นชีพในณอัตภาพสุดท้ายของท่านเนี่ยก็โดนโจนทุบตายน่นแหละถ้าเราฟังเฉยๆฟังผันผ่านไปมันก็เฉยๆผันผ่านไปนั่นแหละแต่ถ้าเราลองเทียบเคียงกับ ยาตพี่น้องเราเป็นต้นคนนี้เขาก็เป็นคนดีนะเขาทำความดีอยู่เรื่อยๆเนืองๆมาตลอดชีวิตเรื่องไม่ดีเขาก็ไม่ค่อยทำมีความเ อ, อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับหมู่ชนเออเรายังเคยได้รับการช่วยเหลือจากเขาอยู่บ้างเหมือนกันแล้วถ้าเกิดวันนึ่งอยู่ๆก็โดนใครไม่รู้ไปยิง ปืนใสอยู่หน้าบ้านตายอย่างเงี้ยมันก็กระเทือนใจอยู่พอสมควรมันก็จะเห็นว่าคนที่ไม่สมควรที่จะตายแบบนี้ก็ทำไมต้องมาตายแบบนี้อันนี้เพราะเราไม่เห็นเนี่เพราะเราไม่เข้าใจเรื่องของกรรมไม่เห็นว่ากรรมมันให้ผลซึ่งกรรมมันให้ผลถ้า เราไม่ได้มีความรู้พิเศษอย่างพระพุทธเจ้าหรือเหล่าสาวกอรหันที่ท่านมีอภิญญาเราก็อาจจะไม่ทราบแต่ถ้าบุคคลที่ท่านมีความรู้พิเศษเหล่านั้นเนี่ยท่านก็สามารถจะรู้ได้ว่ามันเป็นเพราะกรรมอะไรในอดีตที่เคยทําไว้ ซึ่งอย่างเรื่องของพระมหาโมคคลานะเนี่ยก็เป็นที่จดจันท์ก็คือพูดง่ายกระเทือนใจในวงพระศาสนาณาตอนนั้นก็เป็นที่ฮือฮาใช่ไหมทักออฟเดอะทาวก็ว่าได้สมัยนี้จนพระพุทธเช้าก็ต้องมาแจกแจงให้ฟังนะว่าท่านพระมหาโมคคลานะเนี่ยไม่สมควร ตายแบบนี้ในอัตภาพนี้ก็จริงแต่มันก็สมควรแก่กรรมที่เธอทําไว้เมื่อชาติก่อนเก่าก่อนมันเป็นเศษของกรรมที่ตนได้เคยฆ่าบิดามัรดาอันนี้ก็เป็นเศษของกรรมส่วนผลของกรรมที่ได้ฆ่าบิดามัรดาไปเนี่ยก็ได้ไปเสวยในนรก อยู่พอแรงแล้วอันนี้มันแค่เศษจจรมเล็กๆน้อยๆที่มันตามมาเท่าทันเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นหนึ่งแหละ ว, ว่าพระปัญญาของพระพุทธเจ้านั้นมีกว้างขวางมากแต่เราจำเป็นจะต้องขนาดนั้นไหมมันก็อาจจะไม่ต้องจำเป็นหรอกเพราะว่าท่านก็ได้สรุปรวบรวมอยู่แล้วเนี่ยว่าจริงๆแล้วเนี่ย ถึงแม้ว่าเราจะไม่มีความรู้พิเศษแบบนั้นแต่พระองค์ก็ชดเชยให้แล้วโดยการที่นำมาแสดงแจกแจงให้ได้รับรู้ได้รับทราบว่ามันมีจริงนะกรรมเนี่ยผลของกรรมมันมีจริงนะนรกมีนะสวรรค์มีนะถ้าเราได้เสวยกรรมชั่วไว้เนี่ยตกนรกนะไปอยู่ทุกติภูมินะ อาจจะไม่ตกนรกอาจจะเกิดไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรดก็ได้แต่ถ้าใครทำดีสั่งสมบุญไว้เนี่ยก็ไปเกิดเป็นเทวดาเป็นเทพบุะรเป็นพรมรา ะ, ะนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะเลือกที่จะเชื่อไหมแต่แน่นอนแหละถึงเราจะเชื่อถ้าเราไม่ได้รู้ได้เห็นได้ดูตัวเอง ไม่ได้สัมผัสได้ด้วยตัวเองไม่ได้มีความรู้พิเศษไปดูไปรู้ให้มันแจ่มแจ้งที่ใจเนี่ยยังไงยังไงมันก็ต้องมีความสงสัยแต่มันก็วนกลับมาตรงที่ว่ามันมีเรื่องที่เร่งด่วนแล้วก็เรื่องที่ไม่เร่งด่วนเรื่องที่เร่งด่วนก็คือเรื่องที่เราจะต้องความความเข้าใจให้ได้นะเกี่ยวกับทุก เกี่ยวกับเขตุเกิดทุกข์เกี่ยวกับความดับของทุกข์และเกี่ยวกับเครื่องดําเนินนีถึงความดับไม่เหลือของทุกข์อันนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนเร่งด่วนมากกว่าที่เราจะไปพิสูจน์ว่าสวรรค์มีจริงไหมนรกมีจริงไหมแล้วนี่เพราะอะไรเพราะว่าหลักใหญ่ใจความของการที่เราเกิดมาเนี่ยเราอยากที่จะมีความสุข แล้วก็ไม่อยากจะมีความทุกข์ใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นอันนี้มันจึงเป็นเรื่องเร่งด่วนของคนแต่แน่นอนะถ้าเราไม่ประมาทถึงแม้ว่าจะยังพิสูจน์ไม่ได้ก็ตามว่าสวรรค์มีจริงหรือเปล่านรกมีจริงหรือเปล่าแต่ถ้าเราเชื่อในคำสอนในทางดำเนินแม้ที่สุดเนี่ยถึงเราจะยังไม่ได้พิสูจน์แต่เราพิสูจน์ได้เนี่ เ, เรื่องทุกข์เรื่องเหตุเกิดทุกข์ เรื่องความดับของทุกข์และทางดําเนินนี่ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์นี่เราพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองอยู่แล้ววันที่เรามามีศีลมาทําความสงบใจให้เป็นไม่ต้องอะไรมากแค่2 อ, อย่างเท่านี้ทุกข์มันก็ลดลงไปเยอะแล้วในชีวิตของเราซึ่งถ้าเราเห็นผลอย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วท่านแจกแจงเรื่องนรกมีจริงสวรรค์มีจริงเนี่ยเราจะไม่เชื่อท่านหรอ ถ้าคนที่เห็นผลจากการปฏิบัติขนาดนี้แล้วเนี่ยแน่นอนมันต้องถึงแม้พิสูจน์ไม่ได้ด้วยตัวเองแต่ก็ไม่ประมาทแน่นอนไม่ประมาทว่าไม่ประมาทในความรู้ที่ท่านแสดงเอาไว้ว่านารก ม, มรนะันมีจริงนะสวรรค์มีจริงนะถ้าเราทําไม่ดีเนะี่ยมันไปนรกนะเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามสั่งสมความดีเข้าไว้อย่างน้อยๆมันก็เป็นเครื่องรับประกัน เราได้ระดับหนึ่งว่าหมดจากอัตภาพนี้แล้วเนี่ยมันจะมีอัตภาพต่อไปของเราเนี่ยเราจะไปสุคติไม่ได้ไปทุขติแต่ถ้าคนที่ไม่ได้พิสูจน์ในคำสอนก็ก็ไม่เชื่อไงไม่เคยเห็นว่าคนที่ตายไปแล้วกลับมาบอกสักกรายหนึ่งว่าเออสวรรค์มีนะเขาได้ไปสวรรค์มา หรือบุคคลที่ตายไปแล้วไปนรกก็ไม่เคยกลับมาบอกสักทีหนึ่งว่านรกไม่มีหรือมีให้นั้นก็เป็นความรู้ความเห็นของกิเลส ท, ที่มันจะพาหลอกเราปิดบังให้เราไม่สามารถที่จะรู้รู้ธรรมชาติที่มันมีอยู่ธรรมชาติของจริงที่มันมีอยู่ ถึงแม้ว่าเราจะปฏิเสธยังไงก็ตามแต่แต่ถ้ามันเป็นของมีอยู่ตามธรรมชาติมันคือของมีอยู่เราจะบอกว่ามันเป็นของไม่มีแล้วธรรมชาตินั้นจะหายไปเป็นไปไม่ได้ธรรมชาตินั้นมันไม่ได้เป็นไปตามคำบอกของเราแต่มนมันคงอยู่ตามธรรมชาติของมันเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ประมาท ก็จึงใคร่ครวร น, นำมาพิจารณาให้ดีแล้วก็เลือกที่จะหาทางเดินที่มันไม่ซุ่มเสี่ยงให้กับชีวิตนั่นแหละถึงแม้ว่าเราเจอพิสูจน์ไม่ได้ว่ารกสวรรค์มีไหมแต่ถ้าเกิดมันมีจริงเนี่ยถ้ามันมีจริงแล้วเราเกลิงกลัวต่อผลของบาปมันทำบุญไว้ เพราะฉะนั้นเวลาตายไปแล้วเนี่ยมันก็ปลอดภัยใช่ไหมแต่ถ้ามันมีไม่จริงสมมติว่ามีไม่จริงมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรที่เราจะหมั่นสั่งสมบุญกุศลเอาไว้เพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่เราได้ทำความดีในชาติปัจจุบันทำสิ่งดีๆให้กับสังคมกับตัวเราและสังคมแต่ถ้าคนไม่เชื่อโอกาสที่มันจะเลือกทางเดินที่มันเสี่ยง มันก็มีมากเอาฉันเกิดมาเนี่ยฉันก็ไม่เคยเห็นนิคนมาบอกว่ามีสวรรค์มีนรกจริงๆคนตายอ่ะไม่เคยกลับมาบอกสักจีหนึ่งญาติคนนั้นก็ตายญาติคนนี้ก็ตายเพื่อนก็ตายก็ไม่เห็นเคยกลับมาบอกเราเลยเพราะฉะนั้นมันคงไม่มีหรอกนรกเอ่ยสวรรค์เอ่ยพวกนี้พันรกไม่มีสวรรค์ไม่มีบาปมันก็ไม่มีบุญมันก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเราก็ทําตามอยาก ตามใจอยากอย่างเดียวอยากทำอะไรก็ทำอยากเปลีป่ยนใครเราก็ทำได้อยากจะโคดโกงอยากจะชอบโกงทำได้หมดแหละแต่ธรรมชาติมันมีอยู่ของจริงมันมีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยคนนี้มีเส้นทางเดียวเลยคือมุ่งไปทุกติแน่นอนแต่กิเลสมันชอบนะ มันชอบให้คนมีความรู้ความเห็นแบบนี้มันจะได้กักเอาไว้นานๆกักใ้เวียนว่ายต่เกิดนานๆแล้วคนที่ลงต่าแล้วเนี่ยโอกาสที่มันจะขึ้นมาภูมิสูงมันก็ยากขึ้นมาแล้วมันก็ยังติดนิสัยเก่าๆอยู่จะหากลลยานามิตรที่จะมาคอยขัดคอยเกาให้จิตใจมันมีความเห็นถูกอ่ะ มันก็ไม่ง่ายพอมันหนามันก็ขัดยากถ้าเกิดคนเขาเขาเรียกว่ามีความขวนขวายกับเราน้อยขึ้นมาเขาท้อถอยที่จะอบรมสั่งสอนคอยบอกสอนในทางที่มันดีถูกต้องมันก็กลับไปทางเก่าพอมันกลับไปทางเก่ามันก็ไปแบบเก่าๆมาลแย่แบบเก่าๆ แล้วกรยานมิดนี่ก็ไม่ได้เจอง่ายแล้วก็ต้นทุนของเราถ้ามันหนามาแต่เดิมกว่าจะขับให้มันได้จนอยู่ในฐานะที่มันพอที่จะประกันตัวให้มันเห็นผลได้ว่ามันดีก็ไม่ง่ายอีกแล้าเราจะเจอคนที่คอยชีนน้แนะคอยพร่ำบอกพร่ำสอนมีกำลังใจที่จะพร่ำบอกพร่ำสอนก็ไม่ง่ายอีก เือเงื่อนไขในการที่มันจะกลับมาดีได้มันมายากยากยากยากยากยากยากมากแล้วมันก็ไม่ได้รับประกันอีกอะว่าจะจะไปเกิดในยุคที่มีคำสอนดีๆคำสอนที่ถูกตรงถูกต้องตามสภาวะความเป็นจริงชี้แจงว่าเหตุไม่ดีคืออะไรได้ตรงตามเหตุจริงๆเหตุของเรื่องดีคืออะไร แล้วก็ชี้แจงได้ตามความเป็นจริงก็ไม่ง่ายเพราะฉะนั้นเราก็อย่าอย่าใช้ช่วงเวลาที่เราได้ของดีมีค่าให้มันสูญเปล่าไปก็พยายามที่จะหมั่นที่จะพิจารณาให้มันเต็มสติปัญญาความสามารถของเราพยายามพาตัวพาใจของเราให้มัน เป็นผู้ที่นำออกจากทุก์ให้มันทำที่สุดแห่งทุกให้มันได้ให้มันจบอยู่จบพรหมจรรย์ในศาสนานี้ให้มันได้มันจะได้ไม่ต้องกลับมาเวียนทุกอีกก็อย่างที่ว่ามันไม่มีเครื่องรับประกันนะ่ะว่าเราจะกลับมาเจอพุทธศาสนาอีกหรือเปล่าถ้าเราจะมาเจอกระยาณมิตรดีมากน้อยขนาดไหน หรือว่าเราจะไปเจอแต่คนไม่ดีอันนี้มันก็ตอบอะไรไม่ได้คาดเดาอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นเราทำให้มันเต็มความสามารถณตอนนี้ทำให้มันเต็มที่ทำความสงบก็พยายามทำให้มันดีทำให้มันเต็มที่ถึงจังหวะที่จะต้องหมั่นใกล้กรวนพิจารณาที่เห็นตามความเป็นจริงปลดเปลื้องใจเราออกจาก ออกจากความวุ่นวายก็ทําให้มันเต็มที่ให้มันเต็มความสามารถเต็มสติปัญญาของเราแต่อย่างน้อยเราก็มีกัลยาณมิตรคอยเป็นตัวช่วยที่เราจะได้สอบถามหมั่นคุยสั่งสนทนาที่เราจะได้ความรู้ความเห็นที่มันชัดเจนแจ่มแจ้งขึ้นได้กาลังใจเพิ่มขึ้นในการที่เราจะ พาตนใี้มันอยู่จบพรหมจรรย์ในศาสนานี้ให้ได้ก็ต้องพยายามพยายามต่อไป